พระเกียรติกรโอลานตรการไกลทรงสถิตเหนือดวงใจไทยนิรันด์ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้จัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั ญ, ญบุรี ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทรับสเสด็จสมเด็จพระนิธิถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ ร, รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุ ม, มารีในพิธีพระราชทานปริญญาบัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่33ประจำปีการศึกษา2561ระหว่างวันที่ 19-23 สิงหาคม2562 ณหอประชุมราชมงคลธั ญ, ญบรุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบุรีอําเภอธั ญ, ญบุรีจังหวัดปทุมธานีศูนย์นวัตรกรรมความรู้ RMU TT Innovation and Knowledge Center ภายใต้การดูแลโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธั ญ, ญบรุรีเปิด่วนใหม่พร้อมให้บริการกับทุกท่านแล้วที่นี่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 RMTT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดศงามเหลือที่คลนนี้ 89.5 เมกะเฮิรตซ์สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับตอนรรบทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ RMTT u News พิกัดข่าวเด่นนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมเดียวทีรเดศงามเหลือเป็นประจำนะครับทุกวันช่วงวันจุดแบบนี้นะครับ แล้วก็คุณผู้ฟังเองก็จะไปพบกับผมได้นะครับในรายการวันบายไทย PBS นะฮะทางดิจิตอล HD 3วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับอย่างพบกันในรายการข่าวเที่ยงไทย PBS อีกด้วยแล้วก็ยังมีรายการเปิดบ้านไทย PBS นะฮะ ร, รายการข่าวออนไลน์ต่างๆแล้วก็มาเจอกันทางคลื่น 8.9.5 นี้นะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ประเด็นที่อยากจะพูดกันเนี่ยคือน่าจะเป็นสถานการณ์เกี่ยวข้องกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฝนตกน้ําท่วมน้ําป่าไหลหลากอะไรแบบนี้นะครับทําไมถึงอยากจะพูดเพราะว่าต้องการที่จะนํามาเตือนภัยให้กับคุณผู้ฟังนะครับที่อยู่ในพื้นที่ทางภาคเหนือพักกีฬาพื้นที่เสียงภัยต่างๆให้ระมัดระวังภัยนะครับจากเหตุน้าท่วมหรือว่าน้ําป่าไหลหลากด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือเรื่องของดินโคลนถล่มนะครับผมยกตัวอย่างครับเพราะว่ามีการแจ้งเตือน ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์นะครับประกาศปิดน้ําตกแม่กลางหลังจากที่ว่าฝนตกมาตลอดทั้งคืนเลยทําให้ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเกิดน้ําป่าไหลทะลักในพื้นที่พร้อมกับมีการเตือนชาวบ้านนะครับในลุ่มน้ำแม่กลองรับมือกับภาวาน้ําล้นตลิ่งด้วยจากสภาพอากาศนะครับที่เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนน์นะครับที่อำเภอชมทองจังหวัดเชียงใหม่ครับสามารถที่จะวัดปริมาณน้ําฝน บริเวณที่ทำการอุทยานได้190มิลิเมตรนะครับที่เกี่ยวแม่ป่า195มิลิเมตรแล้วก็บนยอดดอยอินทนนท์นะครับ191มิลิเมตรเป็นเหตุทำให้ในช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดน้ำป่าไหลทะลักนะครับลงสู่น้ำตกแม่กลางซึ่งถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังภายในอุทยานนะครับจากการตรวจสอบก็พบว่าแหล่งน้ากลายเป็นน้าป่าสีแดงขุ่นจากดินโครน พัดไหลเชี่ยวกรากสร้างความตื่นตกใจให้กับประชาชนที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำล่าสุดนะครับนายกิษณนามโคงสตรีหัวหน้าอุิการแห่งชาติโดยนอนินทนนท์ก็ได้ประกาศเตือนประชาชนในลุ่มน้ำแม่กลางให้เฝ้าระวังนะครับรับพาวะวะลรับมือนะกับภาวะน้ำล้นตเิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้นะฮะซึ่งสภาพ ของน้ําที่ผมเห็นภาพบานะครับค่อนข้างที่จะน่ากลัวเพราะว่าน้ําเปลี่ยนสีนักชาติหรือว่าป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเองก็คอยออกมาเตือนตลอดนะครับว่าถ้าเกิดพบน้ําเปลี่ยนสีนะฮะจากสีใสเป็นสีแดงขุ่นหรืออะไรเป็นแบบนี้นะครับมีกิ่งไม้ลอยมาตามน้ําก็ให้ระมัดระวังนะครับอันตรายฝนที่ม่วงตกลงมานั้นนะครับปริมาณเนี่ยมันเกินกว่า9 0 mm, ้ามเมตร ตัวเลขเนี่ยพุ่งไป190ปกว่านี้นะฮะโอ้โ ห, หน่าเป็นห่วงนะครับคุณผู้ฟังทีนี้ในพื้นที่อะไรที่เป็นพื้นที่เสี่ยงบ้างใครที่อยู่ ใ, นในกล้กับพื้นที่เชิงเขาอย่างจังหวัดตากด้ว่ยนะฮะคุณผู้ฟังฮะไปเกิดเหตุดินโคนลนถล่มซึ่งก่อนหน้านี้ป้องกันบรรเทาสาธนารณภัยก็เคยออกมาเตือนแล้วนะครับว่าให้ระวังภัย จากน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถลม่มซึ่งมีหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่แม่วะเนี่ยนะฮะชาวบ้านเขาอยู่ในพื้นที่เชิงเขาครับอยู่ในหุบเขาเลยแล้วฝนเนี่ยพอตกสะสมนะฮะตกสะสมกันดินก็อุ้มนะ้ำพออุ้มไม่ไหวหนักขึ้นหนักขึ้นก็เลยถล่มนะฮะมาทับบ้านเรือนของประชาชนก่อนหน้านี้นะครับมีคนถูกดินทับ ทั้งตัวเลยนะฮะเสียชีวิตหนึ่งคนสูญหายหนึ่งคนก็ไปเจอแล้วเด็กคนหนึ่งนะฮะถูกไม้เนี่ยเสียบเข้าที่บริเวณกลางหน้าอกเลยเพราะว่าเหตุจากดินงโคลนหลบนี่แหละครับก็อยากจะนำมาเตือนกันนะฮะพอฟังว่าอ้าวทำไมในพื้นที่ภาคเหนือฝนตกแต่ว่าอีสานที่บอกว่าฝนตกเหมือนกันแต่ว่าเกิดภายแล้งน ะ, ะเพราะว่าบางพื้นที่อย่างใน จังหวัดสุรินทร์นะครับคุณผู้ฟังครับโรงพยาบาลสุรินทร์นะฮะขาดแคลนน้ำวันหนึ่งเนี่ยเขาต้องใช้น้ำประมาณสักหล้านลิตรแต่ผลปรากฏว่าโรงพยาบาลเองน้ำไม่พอใช้แล้วทางแพทย์หรือว่าบุคลากรกทางการแพทย์เนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะงดใช้น้ำหรือใช้น้อยกว่าเดิมลดไปประมาณสัก5แต่ปรากฏว่าก็ยังไม่เพียงพอนะฮะ ยังต้องการน้ําอยู่นะครับต้องการน้ําอยู่ร้องไปฝ่ายปกครองหน่วย ง, งานที่เกี่ยวข้องแล้วนะครับเขาก็พยายามที่จะเร่งแก้ไขปัญหาให้อยู่เหมือนกันแต่ในเมื่อ น, น้ําที่ต้องใช้ในทางการแพทย์เนี่ยไม่พอครับทีนี้อะไรจะเกิดขึ้นมีผู้ป่วยอีกมากมานะครับที่ยังต้องรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลนะครับทางแพทย์ก็รอคอยอยู่นะฮะว่ามืไหร่ หน่วยงานภาครัฐจะแก้ไขปัญหาได้สักทีถึงขั้นว่าชาวบ้านนะครับในพื้นที่อำเภอเมืองนะครับน้าปรับมาที่จะนำมาใช้ในการอุปโภคบริโภคนั้นผลปรากฏว่าไม่พอไม่มีน้ำมันแห้งขวดชาวบ้านบอกว่าไม่รอละไฟปกครองเอาแบบนี้แล้วกันก็ไปว่าจ้างให้คนที่พวก คุณบ่บาดานนะฮะมาขุดให้รอบหนึ่งเนี่ยก็จ้างไปประมาณสักสี่พนนี่คือยังไม่รวมอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆที่ต้องนาไปติดตั้งด้วยนะครับเห็นหมฮะว่าชาวบ้านเนี่ยเขาได้รับผลกระทบขนาดไหนนะฮ ะ, อะนอกนจากเรื่องของภัยพิบัตินะครับคุณผู้ฟังครับคือมีเรื่องนึงเป็นเรื่องใกล้ตัวเป็นเรื่องหลอกลวงอยากจะให้คุณผู้ฟังรู้เท่าทาันกัน แต่ว่าตำรวจเนี่ยสามารถที่จะไปจับกลุ่มตัวเป็นผู้ก่อเหตุนะฮะผู้ชายหลอกซื้อดาวรถจั ก, กรยานยนต์เกือบ100่ง้คันเลยแล้วก็นำไปขายต่อด้วยตำรวจกองปราบปรามนะครับไปตามจับผู้ก่อเหตุคนหนึ่งลวงซื้อดาวรถจั ก, กรยานยนต์ทางเฟ e บ o o กก่อนที่จะนำไปจำนำต่อสาภาพว่าในช่วงสองปีเนี่ยคือหลอกมาแล้วเกือบ100คันเลย ตำรวจกองกำกับการ5กองบังกับการปราบปรามเข้าไปจับ ก, กุมนายอาภิสิทธิ์อายุ23ปีนะครับเป็นชาวจังหวัดนครปฐมซึ่งก็เป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดนครปฐมนะครับฐานความผิดร่วมกันช่อโกงจากกรณีเมื่อเดือนเมษายน2561ผู้เสียหายก็ได้ประกาศขายดาวรถจักรยานยนต์ของตนเองเทางหน้า Facebook เนื่องจากว่าเดือดร้อน ไม่มีเงินส่งค่างวดรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวต่อมาก็ได้มีผู้ใช้ Facebook ชื่อว่าชาบ้านดอนทักมาว่าต้องการซื้อดาวรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวจากผู้สียหายโดยตรงตกลงเงนี่จะนซื้อขายรถกันที่ห้างดังแห่งหนึ่งนะครับที่จังหวัดนคปรปฐมโดยต่อมานะครับทราบชื่อผู้ซื้อก็คือว่านายอาภิสิทธิ์หลังจากที่ว่าซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วนะครับนายอาภิสิทธิ์เนี่ยก็รับปากว่า จะไปเปลี่ยนสัญญาเป็นชื่อของตนเองให้เรียบร้อยแล้วก็จะส่งค่างวดต่อไปจนครบสัญญาปรากฏว่าหลังจากนั้นครับประมาณ5เดือนครับบริษัทไฟแนนซ์ครับที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ก็โทรมาทวงค่างวดผ่อนรถแจ้งว่าไม่ส่งค่างวดมา5เดือนแล้วและก็จะฟ้องร้องตามกฎหมายหากว่าไม่นํารถมาคืนหรือว่าจ่ายค่าเช่าซื้อให้ครบผู้เสียหายจึงได้มีการติดต่อให้ในอภิสิทธิ์นะฮะมาชดใช้ค่าเสียหาย ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะติดต่อได้นะครับพยายามที่จะติดต่อไปทาง Facebook ก็ถูกบล็อกด้วยเหมือนกันไม่สามารถติดต่อได้อีกเลยแจ้งความต่อพนัก ง, งานสอบสวนจนกระทั่งสารอนุมัติหมายจับนะครับสอบสวนนายอภิสิทษฎก็ให้การรับสาร ภ, ภาพว่าตนเองได้หลอกซื้อดาวรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมาจากผู้เสียหายจริงโดยที่ไม่ได้มีเจตนาซื้อมาใช้เองตนเองเห็น Facebook มีรับจอมนํารถหลายแห่ง จึงได้ติดต่อ Facebook รับจำนำรถว่าต้องการจำนำรถคันดังกล่าวอีกทอดหนึ่งเมื่อตกลงซื้อขายโดยทาง Facebook รับจำนำรถจะมารับรถจากตนเองที่อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐ ม, มโดยตนเองก็จะได้กำไรจากการหลอกซื้อดาวรถมาจำนำต่ออีกทอด1ประมาณคันละ 5,000 บาทเงินที่ได้ก็จะนำมาเที่ยวเตร่บ้างตั้งแต่ปี2560แล้วก็ทาแบบนี้มาเกือบ100คันซึ่งผู้เสียหายก็ มีหั่วประเทศนะฮะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยตามราย ง, งานบอกว่าเออได้มีการทยอยเข้าไปแจ้งความกับตำรวจแล้วเหมือนกันคดีคล้ายๆแบบนี้นะครับปีมาตั้งแต่ปี58าแปดด้วยเหมือนกันนะฮะลักษณะคือว่าคล้ายกันเลยนะครับในการปฏิบัติการนะฮะก็เอามาเตือนภัยเผื่อว่าเราจะได้รู้เท่าทันมิจฉาชีพนะครับที่ก่อเหตุแนวๆ แ, แบบนี้ นะครับอนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังครับคือมีประเด็นหลกัหลกๆเนี่ยที่อยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าเรื่องของเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณผู้ฟังเองก็คงจะได้มีการติดตามการถาแถลงข่าวของผู้บัญชาการตรํารวจแห่งชาตินะครับแต่ว่าการถาแถลงข่าวในครั้งนั้นก็คงไม่ชัดสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตํารวจก็ ไม่ค่อยบอกอะไรมากนะอาจจะกลัวไปกระทบกับเศรษฐกิจกลัวว่าจะไปกระทบ ก, บกับการออกหมายจับด้วยหรือเปล่าเพื่อที่จะติดตามตัวผู้ก่อเหตุเรื่องนี้เนี่ยเป็นยังไงครับติดตามได้ในช่วงหน้าพักสักครู่นะครับสนับสนุนรายการโดยมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยแห่งนวัตกรรม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 r m u t t news พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับธีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เกมกะเฮิร์กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ r m u t t news พิกัดข่าวเด่นนะครับกับพบกับผมเดียว์ีรเดชงามเหลือนะครับคุณผู้ฟังเองสามารถเข้าไปรับชมผล ง, งานผมย้อนหลังได้ น, นะครับที่ เพจนักข่าวพักสนามหรือว่า YouTube นะครับเดียลเบอร์รี่นะครับหรือว่าเว็บไซต์นะฮะทันนิวส์ดอทได้เหมือนกันนะครับไปแลกเปลี่ยนพูดคุยกันหรือว่ารายการข่าวออนไลน์รายการล้อมูงข่าวนะครับทางไทย PBS Fan เข้าไปติดตามรับชมกันได้ช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้อง ความคึบหน้าเหตุระเบิดในพื้นที่กรุงเทพมหาคนครเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นผู้บัจัาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็นำทีมงานชุดสืบสวนนะครับทางคดีมาถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการแต่ถามว่าได้อะไรมามากไหมข้อมูลเนี่ยได้ไม่เยอะเพราะว่าตำรวจเนี่ยตอบคำถามเท่าที่จะตอบได้อาจจะไปกลัวว่าจะกระทบกับการติดตามไล่ล่า ตัวผู้ก่อเหตุมาเดินคดีอยู่แต่ทีนี้ต้องชมนะฮะต้องชมตํารวจหลังจากที่เกิดเหตุนะครับในช่วงต้นเดือนสิงหาคมสามารถตามจับผู้ลงหาได้2คนเป็นผู้ก่อเหตุเอาระเบิดนั้นมาวางไวท้ที่หน้าสํานักงานตํารวจแห่งชาติตามจับได้อย่างทันควันเลยนะฮะแก่รอยจากวงจรปิดแล้วนู่นะฮะไปตามจับได้ที่แยกประถมพร จังหวัดชุมพรขนาดที่ว่าอยู่บนรถบัสเพื่อที่จะเดินทางไปสงขาแล้วจะกลับไปทางใต้นะเนี่ยถือว่าเก่งมากที่สามารถจับกลุ่มตัวผู้ก่เหตุได้สองคนนี้ที่จับมาได้นะฮะพอตรวนะฮะลงพื้นที่ไปสอบปากคำด้วยตนเองที่ยาลาไปสอบถามข้อมูล นะครับเหตุจุงใจอย่างไรก็คงจะตอบไม่ได้มากเพราะว่าจากการสืบทราบมาเป็นแค่ชุดปฏิบัติการนะรไม่ได้เป็นคนสั่งการไม่ได้คนเป็นอยู่เบื้องหลังนะครับคงจะมีการตัดตอนเพื่อที่จะมาให้ถามอะไรไปได้มากกว่านั้นนะครับแต่ก็ถือว่าให้การเป็นประโยชน์นะฮะทางรายงานบอกว่าให้การเป็นประโยชน์นะครับแล้วมีการแบ่งการทำหน้าที่อยู่นะ ค, คนหนึ่ง เป็นคนวางคนหนึ่งเป็นคนคุ้มกันนะครับหรือว่าเป็นคนบอกทางนะตารวจก็สืบทราบมานะครับว่าเดินทางมาตั้งแต่วันที่31กรกฎาคมมาถึงวันที่1เอาระเบิดมาวางตั้งเป็น I.C. t ีท m มเหลังจากนั้นเนี่ยเหตุระเบิดก็ตู้มวันที่2ใช่ฮะเดินทางกลับนั่งรถทัวร์กลับเอาเสื้อผ้ามาเยอะนะฮะ เห็นเสือ5ตัวกางเกง5ตัวแว่นตารองเท้านะเปลี่ยนนะครับซึ่งก็เป็นไปตามนะครับที่ตํารวจแกะรอยไปก็พบว่าหลังจากที่วันเกิดเหตุใส่ชุดนึงตอนกลับนะครับก็ใส่อีกชุดนึงนะฮะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถามว่าใครอยู่เบื้องหลังตํารวจบอกว่าทุกทีพอเกิดเหตุ การสร้างสถานาการณ์ขึ้นมาไม่มีใครมายอมรับนะครับเพศในเมืองไทยเนี่ยไม่เหมือนต่างประเทศนะต่างประเทศเนะี่ยถ้ากิดว่ามีคนมาวางระเบิดนะยังมีกลุ่มเบื้องหลังอ้างว่าเป็นคนทําอ้างว่าเป็นคนสั่งการแต่ว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นแบบนั้นไม่มีใครออกมาอ้างตัวว่าเป็นคนทํานะครับเพราะอะไรฮะเกรงกลัวเหรอเกรงกลัวตํารวจเก่งใช่ไหมล่ะนะก็เลยไม่กล้าที่จะบอกว่าใครนั้นเป็นคนทํา นะครับส่วนในพื้นที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะนะครับตรงนั้นเนี่ยตำรวจก็ได้บะแสมาพอสมควรคือผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ว่าขึ้นรถทัวร์มาแล้วก็ไปต่อแท็กซี่นะครับที่ห้างย่านรังสิตแล้วก็นั่งรถมาเพื่อที่จะมาลงที่ศูนย์ราชการพอลงไปแล้วก็จ่ายตัวไปทำงานกันไปวางระเบิดมีการปิดบังไม่ได้ นะครับาถามแท็กซี่แท็กซี่บอกว่า2คนนี้แทบไม่พูดกันเลยแต่เหมือนว่าพูดภาษายาวีมานิดนึงนะครับเฮนี้แล้วระเบิดมาจากไหนตามรายงานบอกว่าเออมาจากในพื้นที่ย่านราดพรา้าวอะไรเงี้ย น, นะนัดการไปเอาระเบิดที่ย่านราดพร้าวนี่คือชุดที่เอาไว้ที่หน้าสํานังกงานตำรวจแห่งชาตหรือเปล่านะครับนี่เพราะว่าตํารวจก็ไม่ได้บอกลึกขนาดนั้น แต่ในระหว่างที่มีการถแถลงข่าวนวันนั้นเองเจ้าหน้าที่นะครับก็ไปตรวจสอบอาาพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซอยรำคำแหง53นินีคุณมากเพราะว่าเคยมีการตรวจสอบมาก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับไปตรวจสอบนะในห้องพักย่านรำคำแหงนะครับก็เอาหลักฐานอะไรต่างๆนะนามานะครับตรวจสอบทินเอว่ามีตรงกันกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือไม่ แต่เชื่อว่ามีความเชื่อมโยงกันถามว่ามีกี่คนเจ้าหน้าที่บอกว่าน่าจะมากกว่า15คนนะครับส่วนลึกๆอะไรแบบนี้เจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้บอกมานะฮะอ่ะอานี้ต่อไปครับพวกเราประชาชนคนไทยเองต้องช่วยกันเป็นหูเป็นตาละไปพบเห็นสิ่งแปลกปลอมถุงที่ไม่เคยถูกวางไว้แต่ว่าไปเห็น ว่ามันแปลกแปลกแบบนี้แจ้งจน้ที่ได้นะครับหนโทรไปได้เลยนะเดี๋ยวเขาส่ง EOD เนี่ยมาทำการตรวจสอบในพื้นที่ว่ามันมีจริงไหมนะครับดังนั้นอย่าไปเข้าใกล้นะฮะอ่ะก็นำมาเตือนกันอ่ะมีเรื่องหนึ่งครับคุณผู้ฟังครับเกี่ยวกับเรื่องของขยะนะฮะเพราะว่าอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศนะครับ ในอดุลโชดนิสากนบอกว่าอยู่ระหว่างการเตรียมออกประกาศกระทรวงพาณิชย์เรื่องกำหนดให้ขยะอิเล็กทรอนิกส์เป็นสินค้าต้องห้ามในการนำเข้ามาในราชอาณาจักรเพื่อห้ามนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทเศษชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์จำนวน428รายการครอบคลุมชิ้นส่วนอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์หรือเศษไม่รวมเศษจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่มีส่วนประกอบ ซึ่งได้แก่ตัวเก็บประจุไฟฟ้าและแบตเตอรี่อื่นๆสวิตช์ที่มีปลอดเป็นองค์ประกอบในการทำงานเศษแก้วจากหลอดรังสีแคโทดแล้วก็แอคทิเวเต็ดกลาสอื่นๆตัวเก็บประจุไฟฟ้าที่มีสาร PCB หรือว่าที่ปนเปื้อนด้วยแคดเมียมปลอดตะกัว่วโพลีคาร์บอเนตเต็ดไบฟีนิลทั้งนี้นะครับการออกประกาศดังกล่าวนั้นก็เป็นไปตามที่กระทรวงศาหกรร กำหนดในประกาศเรื่องบัญชี ร, รายชื่อวัตถุอันต ร, รายพุทธศักราช2556นะครับและเพื่อให้ความร่วมมือกับนานาประเทศตามพันธกกรณีอนุสัญญาบาเซิลในการควบคุมการเคลื่อนย้ายของเสียอันต ร, รายหรือว่าของเสียที่อาจจะไม่ได้รับการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรวมถึงสกัดกั้นไม่ให้มีการนำของเสียของอันต ร, รายเข้ามาเป็นขยะในประเทศไทยซึ่งอาจจะก่อให้เกิดปัญหามลพิษ ต, ต่อสิ่งแวดล้อม และสุขภาพอนามัยของประชาชนโดยหลังจากนี้นะครับทางกรมก็จะมีการขอความเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับที่เกี่ยวข้ อ, ของก่อนนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจนารณาให้ความเห็นชอบต่อไปครับคือประเทศไทยในะยังมีจุดยืนนะครับในการไม่นําเข้ากระยาจากต่างประเทศเพื่อปกป้องสุขภาพ อ, อนามัยของประชาชนและรักษาสิ่งแวดล้อมของประเทศด้วยดังนั้นถึงแม้ว่ารัฐบาลจะมีการเจรจาภายใต้กรอบความตกลงเขตการค้าเสรี FTA ต่างๆรวมถึงความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคหรือว่า RCEP แต่ว่าการเจราจาเปิดตลาดสินค้าดังกล่าวจะไม่ทำให้เกิดช่องว่างให้กับประเทศคู่เจราจาสามารถส่งขยะเข้ามายังประเทศไทยได้อย่างที่หลายฝ่ายมีความกังวลเนืน่องจากว่าการออกประกาศห้ามนาเข้าสินค้านี่นะครับโดยอาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอก และการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพุทศักรา2522จะเป็นการห้ามนำเข้าสินค้าอื่นๆจากต่างประเทศโดยไม่มีข้อจกเวด น, น, นี่ไดอาดูนบอกมานะจากสถิติของกรมโรงงานอุตสาหกรรมพบว่านในปี2561ประเทศไทยนำเข้าข่ายอิเล็กทรอนิกส์นะครับประมาณ38ล้านกว่าตันนะครับลดลงจากปี2560ประมาณ128และส่งออกนะครับกว่า5ล้านตันเกือบ6ล้านตันเลยนะ ก็คือว่าลดลงจากปี 2,560 ประมาณร้อยละ21ครับแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยสามารถที่ไปสอบถามที่กองบริหารการค้าสินค้าทั่วไปนะครับกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมโทรนะครับ0 2 5 4 7 5 1 2หหรือว่าโทรสายด่วนนะครับห3 8 5หรือว่าเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศนั่นเองนะครับเรื่องขอยะนี่ก็ถือว่าสาคัญนะะว่ามีการลักลอบนาเข้ามา อยู่เนืองๆ น, นะครับเจ้าหน้าที่ก็มีการปรับปรามกันไปอย่างเต็มที่นะฮะอ้าวเดี๋ยวปิดท้ายเรื่องนี้กันสักหน่อยแล้วกันนะครับประเด็นที่ว่าตํารวจเนี่ยได้มีการคุมสาวจ้างวานข้าแม่แท้ๆหวังเงินประกันมรดกกว่า10บล้านบาทกับพวกเนี่ยก็ได้มีการฝากขังสารอาญาพร้อมมีการค้าประกันตัวด้วยพนักงานสอบสวนสนโคกครามนะครับก็นําตัวนางสาวตายนำส ม, มุดนะฮะอายุ25ปี พร้อมกับนายประเชิญมือปืนและก็นายดาวคนกับรถมาขออานาจสารยาตัวหนุนรัชดาพิเศษเพื่อฝักขังผัดแรกนะครับเป็นเวลา12วันในความผิดฐานร่วมกันพยายามฆ่าและมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมกับมีการคัดค้า น, นการประกันตัวด้วยเนื่องจากมากคดีมีตราโทษสูงครับและก็เกรงว่าผู้ต้องหานั้นจะหลบหนีจากกรณีนะครับที่ผู้ต้องหาน3คนครับร่วมกันก่อเหตุ วางแผนพยายามฆ่าแม่แท้ๆของนางสาวตายโดยมีนางสาวตายนะครับเป็นผู้บงการจ้างวานฆ่าเพื่อหวังเงินประกันและมรดกที่ดินในจังหวัดเพชรบูรณ์รวมมูลค่ากว่า10บล้านบาทเพื่อนําไปช่วยเหลือสามีที่ติดคุกอยู่ในเรือนจําแต่เคราะดีนะครับที่แม่ของนางสาวตายรอดชีวิตมาได้ด้านนางสาวตายเนี่ยบอกว่ารู้สึกผิดครับแล้วก็ได้ขอโทษแม่ไปแล้วโดยตลอดทั้งคืนที่ผ่านมานางสาวตายก็ไม่มีญาติมาเยี่ยมเลยนะครับ แล้วก็มีการนั่งเหม่อลองเป็นพักๆส่วนนายประเชิญมือปืนรับสรารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยนะครับซึ่งขณะ น, นี้พันดเอกหลงกรเซิริสงครามผู้กํากับการสอนอโคครามก็บอกว่าขณะนี้พายในการสอบสวนก็อยู่ระหว่างการขยายผลรวบรวมพยายนหลักฐานเพื่อขอสารอวนวุมัตหมายจับผู้ต้องหาเพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า1คนที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นกับการพยายามฆ่าแม่ของนางสาวตายพร้อมกับยืนยันด้วยนะครับว่าคดีนี้ไม่มีเหตุจูงใจ หรือว่าเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีอิทธิพลหรือกระบวนการค้ายาเสพติดนะครับก็เป็นการกระทําเรื่องหวังมรดกเท่านั้นเองนะฮะอ่ะก็นํามาเล่าให้ฟังกันนะฮะจริงแล้วเนี่ยวันอัง ว, นะวันจันทร์สินะวันจันทร์เนี่ยก็เป็นวันแม่นะครับวันพรุ่งนี้วันแม่แห่งชาติซึ่งหากว่าใครคิดถึงแม่นะฮะก็ไปหาแม่ผมก็จะไปหาแม่เหมือนกัน แม่มีบุญคุณพอเราได้ฟังเพลงข้าน้ํานมพีไลแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหซึ้งทุกทีเลยนะฮะก็อย่าลืมบอกรักแม่แล้วกันฮนะหรือว่าจะร่วมสนุกกับ t ทยพีบีก็ได้นะครับส่งข้อความบอกรักแม่นะครับผ่านไล ne แอปพลิเคชันนะครับแอดไทยพีบก็ไปแอดเป็นเพื่อนกันเพื่อที่จะชิงรางวัล น, นะครับเป็นหมอนลายนะครับสีเขียวแอดไทยพีบด้วยนะฮะ เดี๋ยวฝากหน่อยผลงานนะครับรายการบนใหม่ไทย PBS ทางดิจ i t a ล HD 3ามนะครับ T5 นะเปิดชมได้เลยรายการล้อมองข่าวครับเป็นรายการข่าวออนไลน์ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เหมือนกันนะครับมีรายการเปิดบ้านไทย PBS 13บสาในการ45นาทีนะครับมีรายการออนไลน์เป็นข่าวเหมือนกันทุกวันพฤหัส บ, บดีนะครับบ่ายโมงบ2ายสบา ย, 2, บาย 3, แล้วก็บ่าย4 วันนี้เนี่ยก็ต้องขอขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรับฟังมาตลอดนะครับลาไปก่อนครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ RMU TT News พิกัดข่าวเด่นเกาะประเด็นร้อนกับทีระเดชงามเหลือที่คลื่นนี้ 89.5 เมกะเฮิร์